ก็คือสามารถมาเล่าได้เลยว่ามีชาติมีชื่อมีโคตรและพระพุทธเจ้านั้นมีศีลอะไรบ้างมาบอกเลยว่าพระพุทธเจ้ามีจุลศีลมชิมศีลมหาศีลมีโลกิยาศีลมีโลกุตระศีลเหล่าใดบอกได้หมดเลย พระพุทธเจ้าเหล่านั้นมีธรรมะคือสมาธิมีอุปจาระสมาธิมีอัปนาสมาธิอุปจาระสมาธิมีกี่ประเภทที่พระพุทธเจ้าเหล่านั้นเข้าอัปนาสมาธิปฐมฌานทุติยฌานตาัติยฌานจตุตฌาน ร, รูปฌานอารูปฌานทั้งหลายฌานทั้งหลายเหล่านั้นพระองค์เนี่ยเข้าโดยอาศัยอารมณ์อะไรปราลบอารมอารมณ์อะไรอะไรพระพุทธเจ้าเหล่านั้นจึงเขา้าสมาธิเหล่านั้นได้ทั้งระดับโลก Oi ิยะสมาธิและ โลกุตระสมาธิโลกุตระสมาธินั้นพระพุทธเจ้าเหล่านั้นเจริญอนุปัสนาเหล่าใดจึงเข้าโลกุตระสมาธิเหล่านั้นได้นะเรียกว่ามีธรรมะเหล่าใดเหล่าใดประดิษฐานอยู่นะภายในหรือพระพุทธเจ้าเหล่านั้นมีปัญญาอย่างไรเนี่ยนะมีปัญญาที่เรียกว่านะับเป็นปัญญาสามก็คือรู้อดีตอนาคตและปัจจุบันไม่มีติดขัดปัญญานับสี่ก็คือเวสารชยานสี่ยานที่กําหนดกําเนิดสีเนี่ย น, นะ แล้วก็ถ้าเป็นญาณ5ก็คือญาณที่รู้กาเนิดคติ5และข้อปฏิบัติให้ถึงกำเนิด5้าเข้าไปคติ5อาสาธารณะยญาณ6ยญาณในโพชชง7ยญาณในอริยมรรคมีองค์8หรือว่าญาณในอนุปุพพาวิหารสมาบัติ9ยาญาณในทศพลญาณ10ยญาณในธรรมจักเรียกว่าญาณในธรรมจักปริวาตสอาการ1ิบเนี่ยนะ หรือว่ายานเหล่าใดเนี่ยนะพุทธยานเรียกว่ายาน76หรือว่ายานเหล่าใดเหล่าได้ทั้งมวลเนี่ยนะยานเหล่านั้นพระองค์รอบรู้หมดคือคือพระ อ, องค์มีความรู้แล้วรู้ด้วยว่าพระพุทธเจ้าในอดีตเหล่านั้นนะท่านรู้อะไรรู้ระดับโลกิยาธรรมนะนะปัญญาเหล่านี้เป็นกามาวจรปัญญาเหล่านี้เป็นรูปาวจรเป็นอรูปาวจรปัญญาเหล่านี้เป็นโลกุตระแม้ปัญญาที่เป็นกามาวจรเขแบ่งแๆ่งแบ่งแบ่งแบ่งเขาเรียกว่า แตกได้ไม่มีที่สิ้นสุดรู้นะว่าพระพุทธเจ้าเหล่านั้นเหล่านั้นท่านรู้อะไรท่านคิดอะไรท่านพูดอะไรเนี่ยนะความรอบรู้นะและรู้ด้วยว่าพระพุทธเจ้าเหล่านั้นใช้อิริยาบทยืนเดินนั่งนอนอย่างไรพระพุทธเจ้าเหล่านั้นอยู่ด้วยวิหารธรรมคือพรมมิหารเหล่าใดที่พระวิหารเหล่าใดอริยวิหารเหล่าใดพระพุทธเจ้าหลุดพ้นด้วยอะไรบ้าง หลุดพ้นด้วยแต่ทางข้าวิมุตติวิคัมพนาวิมุตติสมุทเชวท้วิมุตติปฏิปัสสัทธะปฏิปัสสัตที่วิมุตตินิสระวิมุตติเหล่าใดพระพุทธเจ้าแสดงว่าสัพพัญญุตยานแน่นอนอนุภาพของสัพพัญญุตยานทำให้รู้เรื่องราวของพระพุทธเจ้าในอดีตการอย่างครบถ้วนบริบูรณ์อันนี้ตั้งไว้ประเด็นที่หนึ่งนนะพระพิสุท่านคิดกันนะว่าประเด็นที่หนึ่งคือด้วยอะไรด้วยอนุภาพแห่งพระสัพพัญญุตยาน หรือว่าประเด็นที่สองตั้งว่าเพราะความข้อนี้พวกเทวดาได้กราบทูลแด่พระตาถาคตพระตาถาคตจึงทรงระลึกได้เทวดาเล่าให้ฟังมั้งนะพับแสดงว่าเทวดาเล่าให้ฟังแหละ พระพุทธเจ้าจึงระลึกได้ว่าพระพุทธเจ้าที่ล่วงไปแล้วปริณิพานไปแล้วตัดขาดธรรมะเครื่องข้าให้เนื่นช้าได้แล้วตัดขาดความหมุนเวียนได้แล้วครอบงําความหมุนเวียนได้แล้วทรงล่วงทุกทั้งปวงทุกอย่างได้แล้วแล้วสามารถเอามาเล่าได้ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์เหล่านั้นมีพระชาติะนะเช่นนี้มีชื่อเช่นนี้มีโคตมีอายุเท่านี้คู่พระสาวกเป็นอย่างนี้ประชุมสาวกเป็นอย่างนี้อะนะ พระพุทธเจ้าเหล่านั้นมีศีลเช่นนี้มีธรรมเช่นนี้มีปัญญาเช่นนี้มีวิหารธรรมเช่นนี้มีวิมุตต์เช่นนี้กําลังนั่งคุยกันจับประเด็นสองคุยสองอย่างนะคุยว่ารอบรู้ทั้งหมดหนึ่งแสดงว่าแทงตลอดสัพพันยูแน่นอนประเด็นที่สองหรือเทวดามาบอกยังสงสัยกันอยู่นะยังหาข้อยุติไม่ได้ว่าพระพุทธเจ้ารู้เองหรือเทวดาบอกว่างั้นเถอะรู้เองหรือเทวดาบอกในอัตถกาหน้า เ2อธิบายรายละเอียดข้อสิบเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยว่าชินนะปันชินชินนะปปัญเจนี่นะพระพุทธเจ้าเหล่านั้นตัดขาดธรรมะเครื่องเนิ่นช้าช้าที่ไหนช้าให้อยู่ในวัตตะหรือธรรมะที่ขยายวัตตะได้เสร็จสิ้นแล้วคืออะไรก็คือตัณหามานะพิธินี่นะที่มันทำให้ขยายวัตตะไม่มีจบมีสิน้นทำให้เพลิดเพลินยินดีอยู่ในวัตตะ ถามว่ามาจากไหนมาจากว่าพระพุทธเจ้าเหล่านั้นเนี่ยนะขอไปพระพุทธเจ้าพระ อ, องค์รู้ได้อย่างไงถึงการตัดกิเลสของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตถ้าใครเรียนอะไรนะมหานิทานสูตรขอไปนิทานวักสังยุตติกายนิทานวัคเนี่ยนะจะรู้เลยว่าพระพุทธเจ้าบอกเลยนะว่าพระพุทธเจ้าวิปัสสีสิกีเวสภูกะกุสันทโกนาคมนะเนี่ยตอนเป็นพระโพธิสัตว์ท่านคิดอะไร แล้วท่านพิจารณาอริยสัจอย่างไรเมื่อตรัสรู้อริยสัจแล้วอุทานว่าอย่างไรเมื่ออุทานแล้วหลังจากนั้นท่านคิดอะไรต่อไปเนี่ยนะพระพุทธเจ้ารู้ทั้งหมดเลยรู้ว่าตัดตันหามานะทิฐิฉนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะสามารถระลึกถึงเหตุการณ์ครั้งในอดีตเหมือนอะไรเหมือนชี้รอยเท้าบนอากาศใครเคยเมมองเห็นอากาศปั๊บเนี่ยนะบอกว่าเครื่องตรงเนี้ยอากาศตรงนี้นะมือเครื่องบิน ก, ط, กี่กี่กี่กี่ลำแล้วผ่านมาแล้วในอดีตตั้งอ่านนะเหมือนว่าเนี่ยอากาศตรงนี้มีนกอะไรมาเคยมาบินผ่านมาตรงนี้บ้างอา น, นะเรียกว่าเอาเรื่องราวในะที่เราว่าเหมือนเอาอากาศมาชี้เล่าให้ฟังหรือมองฟ้าปั๊บเนี่ยมาตรงนี้นะั้นนกเคยบินมาแล้วล้านตัวเมื่อวันเดือนปีนั้นนะ น, นกตัวนั้นบินผ่านมาวันเดือนปีนั้น น, นนกตัวนั้นบินผ่านมาบินทลาลมหรือว่าบินกระพือปีกบินกระพือปีกกี่ครั้งอันนัความเร็วเท่าไหร่อะไรครับถ้าพูดอย่างนี้พระองค์เล่าได้หมดเลย แล้วเอาเรื่องในอากาศแต่ถ้าสิ่งนี้เป็นความจริงนะนไม่ได้หลอกกันเล่นสร้างวิมานเล่นคนอะไรไม่ใช่เล่าให้ฟังถึงความจริงไม่ใช่ในเรื่องของรูปอย่างเดียวนะพระองค์สามารถตรัสเล่าถึงอะไรเวทนาสัญญาสังขารและเวียญาณที่เคยมีมาแล้วในอดีตนะซึ่งน่าอัศจรรย์มากนะใครทําได้มั่งเล่าว่าโอเนี่ยนะนกตรงนี้นะมันเคยบินทลารลมมาระดับนี้หรือเหมือนรอยเท้าในอากาศเนี่ยนะ บทว่าชินนวัตุเมนี้หมายถึงอาละวัตะคือกุศลกรรมและ อ, อกุศลกรรมนะตัดกุศล อ, อกุศลควบคุมกรรมได้หมดแล้วพระพุทธเจ้านั้นทําลายซี่กรรมแห่งสังสารจักรนะพระพุทธเจ้าเหล่านั้นทุกพระองค์ในอดีตหักซี่กรรมแห่งสังสารจักรแล้วกรรมที่นําไปเกิดในนรกก็ตัดเสร็จสิ้นแล้วกรรมที่นําไปเกิดในเปรตอสุรกายและเดริชานก็ตัดและทําลายเสร็จสิ้นแล้ว กรรมที่นํามาเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทพเกิดเป็นมารเกิดเป็นพรมเหล่าใดกรรมเหล่านั้นพระองค์ตัดเสร็จสิ้นแล้วทําลายซี่กรรมแห่งสังสารจักรเพราะฉะนั้นพระองค์จึงก้าวล่วงทุกทั้งปวงก้าวล่วงชาติทุกชราทุกพญาที่ทุกขมรณะโสกปริเทวะทุกโทมนณและอุปาญาทุกข์ได้หมดแล้วสามารถระลึกได้ว่าพระพุทธเจ้าทุกองค์เหล่านั้นในอดีตมีศีลอย่างไร ไม่ไว่าจะเป็นในมัคศีลระดับอริยมัคศีลในระดับอริยผลโลกยะศีลหรือว่าโลกุตระสินพระพุทธเจ้าเหล่านั้นมีธรรมคือมัคร anse, ธรรมะหมายถึงสมาธิหรือคุณธรรมที่เกี่ยวข้องกับสมาธิวันนี้เป็นมัคสมาธิผลสมาธินี้เป็นโลกิยะสมาธิโลกุตระสมาธิแล้วก็สามารถรู้ถึงปัญญาของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นวันนี้เป็นมัคปัญญาผลปัญญาโลกยะปัญญาโลกุตระปัญญาสามารถเอามาเล่าได้หมดเลย หรือเอวังวิหารีพระพุทธเจ้าเหล่านั้นอยู่ด้วยวิหารธรรมอะไรบ้างนะเช่นวิหารธรรมหมายถึงโลโกิยะสมาบัติโลกุตระสมาบัติหรือที่เรียกว่าพรหมวิหารทิพวิหารอริยวิหารตลอดจนถึงนิโรธสมาบาัติว่าพระพุทธเจ้าเหล่านั้นพระองค์เขานิโรธสมาบัติอะไรบ้างหรือพระพุทธเจ้าเหล่านั้นหลุดพ้นอย่างไรบ้างหลุดพ้นจากอะไรด้วยคุณธรรมอะไรเช่นหลุดพ้น ด้วยวิขมพนะวิมุตด้วยอานาจของสมถะหลุดพ้นด้วยตะทางเขาวิมุตด้วยานุภาพของวิปัสนาหลุดพ้นได้ยอย่างเด็ดขาดด้วยอานาจสมุทเฉทวิมุตคืออริยมรรหลุดพ้นอย่างสงบประงับด้วยอริยผลหลุดพ้นจากสังคตะธรรมทั้งปวงด้วยอนุภาพของพระนิพานมั้นพระองค์เหล่านั้นเนี่ยนะอาศัยสมาบัตแ8หลุดพ้นโดวยวิขมพนะเจริญอนุปัสนาเจ็ด หลุดพ้นจากธรรมที่เป็นข่าสึกเนี่ยนะด้วยแต่ทางเขาวิมุตต์นนะนด้วยอนุภาพของอนิจจานุปัสสนาหรืออนิจจสัญญาเป็นต้นอริยมรรคสี่ของพระองค์นั้นเป็นสมุทเฉทวิมุตต์พ้นจากกิเลสตัดกิเลสได้อย่างเด็ดขาดปฏิปัสสติวิมุตต์ก็คือโซดาปฏิพนสกาธาคามิพ้นอนาคามิพลนและอรหัตตผล น, นะที่สุดแห่งการสงบกิเลสด้วยอนุภาพแห่งอริยมรรคสําหรับพระนิพพานนั้นนิสรณาวิมุตต์เพราะ พ้นจากไกลาจากอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งกิเลสหรือพ้นจากสังขตะธรรมโดยประการทั้งปวงแล้วพระองค์นะ่งรอบรู้ว่าพระองค์เหล่านั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าหลุดพ้นด้วยสมถา ว, วิปัสนาอริยมรรคอริ ย, รยผลและนิพพานอย่างไรเนี่ยนะก็รอบรู้รายละเอียดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าที่ผ่านมาเหล่านั้นทั้งหมดขณะที่พระพิสุททั้งหลายนั่งสนทนากันอยู่นั้น นั่งสนทนาว่าที่พระพุทธเจ้ารู้ที่กล่าวไปแล้วเนี่ยรู้เพราะแทงตลอดสัพพัญยุตยานเองหรือว่าถวยเทพกราบทูลให้พระองคนะ์ทราบนะเทวดามาบอกมั้งหรือว่ารู้เองตกลงพระพุทธเจ้ารู้เองหรือเทวดามาบอกอนะก็ทั้งสองอย่างนั่นแหละทั้งสองอย่างตอบประเด็นแรกก่อนว่าพระองค์รู้เองก่อนพระองค์รู้เองด้วยเทวดามาบอกด้วยนะ คือพระ อ, องค์ทั้งรู้เองด้วยและเทวดาก็บอกด้วยส่วนรายละเอียดตอนต้นก่อนนะที่พระ อ, องค์เนี่ยรู้เองก็กล่าวถึงพระโพลรายละเอียดในข้อสิบเอ็ดหน้าเก้าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกจากที่ประทับพักผ่อนในเวลาเย็นเสด็จตรงไปยังโรงกลมใกล้หมู่ไม้กลุ่มน้ําแล้วพระ อ, องค์ก็ประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสเรียกพิสูจทั้งหลายมาว่า ดูก่อนพิษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งประชุมสนทนาอะไรกันเรื่องที่พวกเธอพูดค้างเอาไว้เนี่ยนะคือเรื่องอะไรเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อเรามาพวกเธอก็เลิกคุยกันเนี่ยนะคุยเรื่องอะไรค้างอยู่ละ่ะเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรถามอย่างนี้แล้วพิกสุเหล่านั้นก็ได้กราบทูลท่กราบทูลกราบเรียนเล่าเรื่องทั้งหมดให้พระองค์ทราบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จหลีกไปแล้วไม่นานพวกข่าพระองค์ได้สนทนากันขึ้นในระหว่างว่างน่าอัศจรรย์นะ น, นะเหตุการณ์แบบนี้แปลกจริงๆนะอัศจรรย์จริงๆว่าผู้มีอายุทั้งหลายเรื่องแบบนี้เนี่ยไม่เคยมีมาก่อนเลยท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระตถาคตเนี่ยจะต้องทรงมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมาก เพราะมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากนี่แหละพระองค์จึงสา ม, มารถระลึกได้ถึงพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ล่วงไปแล้วที่ผ่านพ้นไปแล้วที่ปรินิพานไปแล้วพระพุทธเจ้าเหล่านั้นตัดตันหามานะทิฐิได้แล้วตัดความหมุนเวียนคึกในวัฏฏะได้แล้วครอบงำวัฏฏะได้แล้วล่วงพ้นจากทุกทั้งปวงได้แล้ว แล้วบอกเล่าได้เลยว่าพระพุทธเจ้าเหล่านั้นมีชาติอะไรมีนามอะไรมีโคดอะไรมีพระชนมายุอย่างไรคู่ระษาวกของพระองค์เป็นอย่างไรพระองค์นั้นมีการประชุมสาวกอย่างไรพระองค์เหล่านั้นมีศีลอย่างไรมีธรรมะอย่างไรมีปัญญาอย่างไรมีวิมุตต์อย่างไรเนี่ยนะมีวิมุตต์อย่างไรมีวิหารธรรมเหล่าใด เรื่องนี้นะท่านผู้มีอายุทั้งหลายเป็นอย่างไรหรือว่าพระองค์เองพระองค์เดียวก็หมายว่าตรัสรู้ด้วยพระองค์เองเพราะอะไรเพราะพระองค์แทงตลอดธรรมธาตุคือสัพพัญญตญาณนี่แหละที่เป็นเหตุให้พระองค์เนีแทงตลอดธรรมะทั้งปวงเพราะอนุภาพแห่งธรรมธาตุคือสัพพัญญตญาณพระองค์จึงรอบรู้สรรพสิ่งทั้งที่เป็นอดีตทั้งหมดได้แล้วอาศัยสัพพัญญตญาณนี่แหละทาให้พระองค์สามารถระลึกถึง รายละเอียดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าที่ปรินิพานไปแล้วละตันหามานะทิฐิได้แล้วตัดความเวียนหมุนเวียนในวัฏฏะได้แล้วครอบงำวัฏฏะได้แล้วล่วงพ้นจากชาติชรามรณะเป็นต้นได้แล้วและเอาเรื่องราวของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นมาบอกเล่าว่าพระพุทธเจ้าองค์นั้นมีชื่อย่างนั้นมีชาติอย่างนั้นมีนามสกุลอย่างนั้นมีอายุอย่างนั้นคู่พระสาวกเป็นอย่างนั้นประชุมสาวกอย่างนั้นอย่างนั้น ตลอดจนถึงว่าพระพุทธเจ้าเหล่านั้นมีศีลมีธรรมมีปัญญามีวิหารมีวิมุตตอย่างนั้น น, น ะ, ะแสดงว่าสัพพันยูแน่นอนเลยนะอันในที่หนึ่งหรือว่าหรือว่าพระเทวดาได้กราบทูลแปลว่าเทวดาเล่าให้ฟังพระผู้มีพระภาคเจ้าเหล่านั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงจึงระลึกได้จึงรู้ได้เพราะเทวดาเล่าให้ฟัง เนี่ยกำลังสนทนาจับได้สองประเด็นนี้แหละพอดีพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เสด็จมาถึงนะน่ะลังนั่งคุยค้างอยู่อ่านะเออพระองค์รู้อดีตเพราะด้วยลําพังพระองค์เองเพราะอนุภาพแห่งสัพพัญญตยานหรือเทวดาลเล่าให้ฟังพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนพิ่สู่ทั้งหลายเพราะเหตุที่ตถาคตนี่แลแทงตลอดธรรมธาตุแล้วนะเพราะว่าพระองค์เนี่ย ตรัสรู้สัพพัญญุตยานแล้วฉะนั้นตถาคตจึงระลึกได้ระลึกได้เหตุทั้งหมดในอดีตถึงพระพุทธเจ้าที่ผ่านไปแล้วในอดีตล่วงไปแล้วในอดีตพระพุทธเจ้าเหล่านั้นที่ปรินิพานได้แล้วตัดตันหามานะทิฐิได้แล้วมีวัตตะคือกรรมอันตัดขาดแล้วครอบงําวัตตะคือกรรมได้แล้วแล้วบอกเล่าเรื่องราวของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นว่ามีชื่ออย่างนั้นมี ชาติอย่างนั้นมีโคตรอย่างนั้นมีอายุคู่พระสาวกการประชุมสาวกพระพุทธเจ้าเหล่านั้นมีศีลมีธรรมมีปัญญามีมวิหารธรรมมีวิมุตเช่นนี้เช่น น, น, นี้ลายละเอียดทั้งหมดเนี่ยเพราะอนุภาพแห่งสัพพัญยุตยานเพราะอนุภาพแห่งสัพพัญยวะนะที่สังสมบารมีมา